198. อัตราของความเป็นชีวะตามสัจจะย่อมมีสัดส่วนในความเป็นพลังงานที่แปรเปลี่ยนสถานะนั้นก็มีอัตราที่ประมานได้ตามสังขยาเลขเป็นหลักเกณฑ์ให้ศึกษาถ้าพีชานิยามพลังงานที่สะสมตัวตนมีป ร, ริมาณและคุณภาพยังไม่มาก ไม่ควบแน่นจนเสถียรยั่งยืนถึงเจ็ดสตตะชั้นและเกินเจ็ดสตตะชั้นขึ้นไปยิ่งๆก็ยังไม่นับว่าเป็นสัตว์คือจิตนิยามพีชนิยามที่มีพลังงานชีวะใดได้สะสมพลังงานกายองค์ประชุมของรูปกับนามซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ธาตุรู้นานเป็นแค่ขั้นพีชะ คือมีแค่ขั้นสัญญาสังขารแต่ก็ได้พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจะเริ่มมีวิวัฒนาการเป็นทิฏฐิธาตุรู้ที่มีความเห็นความเข้าใจเจริญสูงขึ้นสูงขึ้นกล่าวคือธาตุรู้ขั้นพีชะที่สะสมตัวเองขึ้นเป็นความรู้ที่เจริญมีวิวัฒนาการไปตามลำดับ ความเป็นพลังงานพีชะเองก็จะ ก, ก้าวหน้าวิวัฒนาสูงขึ้นไปอีกชั้นอีกขั้นจนกระทั่งพัฒนาถึงขีดเข้าเขตเป็นเวทนาก็จะเริ่มไปตามวิวัฒนาการแห่งพลังงานเยี่ยงเดียวกันกับพลังงานอุตุนิยามที่พัฒนาขึ้นมาเป็นพีชนิยาม ก็จะเริ่มตั้งแต่ดินน้ำไฟลมอากาศพลังงานผีชั่นั่นเองเมื่อความเป็นผีชนิยามนี้จเจริญถึงขีดของผีชนิยามที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นกินิยามได้ซึ่งมีจุดเริ่มก็เริ่มที่ธรรมะสองทวธรรมมาเสมอเช่นมีช่องว่างคับพระกับเชื้อชีวะเป็นต้นนิชมีธรรมะสอง แล้วธรรมะสองนี้ก็พัฒนาต่อไปเป็นธรรมะสองของช่องว่างรวมพลังงานเชื้อชีวะโปรโตพลาซึมนี้หนึ่งกับเชื้อชีวะนั้นที่จะเริ่มเป็นภาวะของชีวิตสกุลใดสกุลหนึ่งซึ่งจะมีทั้งเหตุที่เป็นเชื้อหลักและปัจจัยย่อยต่างๆรวมกันอยู่ทั้งหมดไซโตพลาซึมนี้สอง พูดเรียกว่ากลาระปฐมภูมิไพรมาริเซลซึ่งมีเริ่มเชื้อแรกจริงๆติดอยู่กับช่องว่างคับพระนิชนั้นนี้คือเชื้อชีวะแรกจากกละระก็เจริญเป็นเซลล์ทุติยภูมิเซกานารีเซลแล้วจึงจะเป็นเซลล์ตุติยภูมิเ พ, มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นซึ่งพัฒนาไปตามลำดับ สำหรับวิชาการของพุทธก็มีอัตราการก้าวหน้าที่ก้าวจากจุดเริ่มไปตามลำดับแห่งการเกิดปฏิสนธิเริ่มจากกะละลาก็มีบัญญัติอัตราการก้าวหน้าไปตามสัจจะจากกะละลาก็เพิ่มขึ้นเป็นอัพุดเปสิคณะปัญจสาขาเป็นต้นบัญญัติห้านี้คือองค์หของปฏิสนธิ ผู้มีภูมิปัญญาถึงขั้นสามารถอย่างถึงอ่านรู้ก็จะรู้ได้ไปตามจริงเป็นความเจริญของทิฐิที่ก้าวหน้าขึ้นสู่ความเป็นปัญญา